สัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องก็คือถูกต้องตามความเป็นจริงเช่นเห็นสุนัขเป็นสุนัขเห็นแมวเป็นแมวเรียกว่าตรงกับความเป็นจริงถ้าไปเห็นสุนัขเป็นแมวเห็นแมวเป็นสุนัขอย่างนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิ ความเห็นที่ไม่ถูกต้องถ้ามีความเห็นที่ไม่ถูกต้องก็จะทำอะไรไม่ถูกต้องนั่นเองเช่นจะไปจับแมวก็ไปจับหมามาแทนจะไปจับหมาก็ไปจับแมวมาแทนจะไม่ได้สิ่งที่เราต้องการต้องการหมาแต่ไปจับที่ไรก็ไปจับแมวมาก็เลย ไม่ได้สิ่งที่เราควรจะได้กันฉันได้สัมมาทิฏฐิในทางพระพุทธศาสนาก็เป็นความเห็นที่ถูกต้องที่พวกเราไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาของเราเองเช่นเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคือมรรคผลนิพพานอันนี้เป็นเรื่องของจิตใจหรือเรื่องของดวงวิญญาณที่ตาของร่างกายไม่สามารถที่จะเห็นได้การที่จะเห็นเรื่องบุญเรื่องบาป เรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดต้องเห็นด้วยตาในคือตาทิพหรือเรียกว่าตาใจต้องเห็นด้วยใจไม่สามารถเห็นได้ด้วยร่างกายเพราะเป็นนามธรรมาร่างกายนี้เห็นได้เพียงแต่รูปธรรม รูปที่เข้ามาทางตาเราเราเห็นเป็ดเห็นไก่เห็นวัวเห็นควายอันนี้เราเห็นได้เรารู้ว่าอะไรเป็นเป็ดอะไรเป็นไก่อะไรเป็นวัวอะไรเป็นควายเรามีความเห็นที่ถูกต้องทางรูปประธรรมกันแต่เราไม่มีความเห็นที่ถูกต้องทางนามธรรม เพราะใจของเรามืดบอดมืดบอดด้วยอะไรด้วยโมหะาอาวิชชาโมหะก็คือความหลงอวิชชาก็คือความไม่รู้เรื่องของจิตตวิญญาณเราถ้าเราต้องการมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้อง เราก็ต้องอาศัยคนที่มีสัมมาทิฏฐิคนที่มีความเห็นที่ถูกต้องผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิก็คือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกท่านเป็นผู้ที่เปิดตาในของท่านได้ท่านสามารถเอาสิ่งที่ปิดบังตาในของท่าน คือโมหะความหลงอวิชชาความไม่รู้เรื่องราวของจิตวิญญาณที่ปิดบังตาของท่านให้ออกไปได้พอท่านเอาสิ่งที่ปิดบังตาตาในออกไปได้ท่านก็เห็นสิ่งต่างๆที่ที่ที่ตาในสามารถเห็นได้ก็เห็น เห็นเรื่องของโลกทิพย์เห็นเรื่องของดวงวิญญาณต่างๆเห็นพวกเทพเห็นพวกพรหมเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นเปรตเห็นอสุรกายเห็นนรกนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายมองเห็นกันเพราะท่านเปิดตาในของท่านได้ ถ้าเราอยากจะเห็นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสาวรสาวกเห็นเราก็ต้องทำตามคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าทำตามคาสั่งคาสอนของพระอรหันตสาวกทั้งหลายเมื่อเราทำตามได้เราก็จะเปิดสิ่งที่ปิดบังตาในของเราได้เราก็จะเห็นสิ่งต่างๆ เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทุกประการเพราะความจริงเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่มาแต่ดั้งเดิมและจะมีไปไม่มีวันสิ้นสุดถ้าใครสามารถเปิดตาในของตนเองได้ก็สามารถที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกทิพย์ได้ สามารถเห็นดวงวิญญาณที่ไปเวียนว่ายตายเกิดที่ไปเกิดเป็นอะไรต่างๆทาบุญแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดานั่งสมาธิแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมจเจริญปัญญาได้ก็ไปเกิดเป็นพระอริยบุคคลทำบาปก็ไปเกิดเป็นเปรตเป็นเดรัจฉาน ไปนรกเนี่ยนี่คือความจริงที่เราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสวรรค์มีจริงนรกมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงผู้ที่ทำบุญจะไปสวรรค์กันผู้ที่ทำบาปจะไปอบายกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ สำหรับพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายเป็นสิ่งที่ที่ท่านรู้ท่านเห็นไม่ได้เป็นสิ่งที่ลึกลับอย่างใดเหมือนกับไม่เหมือนกับพวกเราที่ไม่เห็นสิ่งเหล่านี้กันก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องลึกลับหรืออาจจะไม่เชื่อก็ได้ คนบางคนนี้ไม่เชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องตายแล้วไปเกิดใหม่ตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสูรกายไปตกนรกพวกเขาจะไม่เชื่อเพราะเขามองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เขาก็เลยปฏิเสธเมื่อไม่มีไม่เห็นก็ต้องไม่มีอ่า เขาไม่รู้ว่าที่เขาไม่เห็นก็เพราะว่าเขาไม่ได้เปิดตาของเขาขึ้นมาดูท่านั้นเองถ้าเขาเปิดตาขึ้นมาดูเขาก็จะไม่กล้าปฏิเสธในสิ่งต่างๆที่มีอยู่เหมือนกับตอนนี้ถ้าใครเอาผ้ามาปิดตาของญาติโยมก่อนจะพามาที่นี่ปิดตาก่อนพอมาถึงที่นี่ก็ให้มานั่ง แล้วก็บอกว่ามีต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้มีศาลามีอะไรต่างๆแต่ญาติโยมที่ถูกปิดตาก็บอกมองไม่เห็นอะไรก็อาจจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้ถ้าไม่เชื่อก็บอกไม่เห็นมีอะไรเพราะเห็นแต่มืดๆลองปิดตาดูสิเราจะเห็นอะไรก็เห็นแต่ความมืดเท่านั้นเอง เห็นแต่ความมืดบอดไม่เห็นสิ่งต่างๆที่คนเปิดตาเห็นกันชันใดตาในของพวกเราตอนนี้เหมือนกับตอนที่เราปิดตานอกตอนที่เราปิดตานอกนี้เขาพาเราไปไหนมาไหนเราไม่รู้ว่าไปไหนมีอะไรให้ดูให้เห็นบ้างไม่รู้มองไม่เห็นเห็นแต่มันมืดไปหมด ใครจะมาบอกว่ามีคนตรงนั้นมีคนตรงนี้มีสิ่งนั้นตรงนั้นตรงนี้พูดไปเราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่พูดจริงเออจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่รู้จะเชื่อดีหรือไม่เชื่อดีเอคนที่เป็นคนที่ลังเลยสงสัยก็อาจจะตัดปัญหาไปว่าไม่เชื่อดีกว่ า, เ, าเมื่อเรามองไม่เห็นไปเชื่อเดี๋ยวถูกเขาหลอกอีกเอออย่างนี้ก็มีเออ นี่คือเรื่องของพวกเราตอนนี้พวกเราไม่มีตาในหรือตาในถูกปิดบังเอาไว้ไม่สามารถเห็นดวงวิญญาณของเราเองไม่สามารถเห็นตัวเราเองคือจิตใจของเราเนี่ยเราอยู่กับมันเราใช้จิตใจมาตั้งแต่วันเกิดแต่เราไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาของจิตใจเลยเราเลยไม่รู้ว่าจิตใจนี้มีหรือไม่อยู่ที่ตรงไหน ส่วนใหญ่มักจะไปเหมาว่าอยู่ที่ร่างกายเพราะเวลาเกิดมาร่างกายกับจิตใจมันก็ปรากฏขึ้นมาพร้อมกันจิตใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆก็เลยคิดว่าจิตใจอยู่ที่ร่างกายจิตใจเป็นร่างกายแต่ตามหลักความเป็นจริงตามหลักของสัมมาทิฏฐิ จิตใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันจิตใจเป็นผู้มาสั่งร่างกายมาใช้ร่างกายให้ทำอะไรต่างๆถ้าเปรียบเทียบร่างกายก็เป็นเหมือนมา้าจิตใจก็เป็นเหมือนคนขี่มา้าคนขี่ม้านี้สั่งให้มา้าวิ่งไปข้างหน้าวิ่งไปข้างหลังไปทางซ้ายไปทางขวาให้กระโดดข้ามนู่นกระโดดข้ามนี่ ผู้ที่ขี่นี้เป็นผู้ที่สั่งให้ม้าทำอะไรต่างๆเพียงแต่เราไม่สามารถมองเห็นผู้ที่ขี่ม้าได้เพราะผู้ที่ขี่ม้านี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนมา้าฉันใดจิตใจกับร่างกายก็เป็นอย่างนั้นร่างกายนี้เป็นเหมือนมา้าส่วนจิตใจนี้เหมือนเป็นผู้ก็ขี่มา้าจิตใจเป็นผู้ขี่ร่างกาย สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆอย่างวันนี้ก่อนที่ญาติโยมจะมาที่นี่ได้ก่อนที่ร่างกายของญาติโยมจะมาที่นี่ได้ก็ต้องรับคำสั่งจากผู้ขี่ร่างกายนี้คือใจใจก็จะสั่งว่าวันนี้ไปวัดกันไปทาบุญกันตอนเช้าไปสายบาทตอนสายไปศาลาไปถวายอาหาร ตอนบ่ายขึ้นมาฟังทรเนี่ ย, ยผู้สั่งกับผู้รับคาสั่งนี้เป็นคนละคนกันแล้วเวลาสั่งให้ทำอะไรแล้วผลที่เกิดขึ้นมาผู้ที่สั่งนี้แหละเป็นผู้ที่จะรับผลผู้ที่รับคำสั่งนี้ไม่ได้เป็นผู้ที่รับผลเพราะว่าเป็นเพียงเครื่องมือของผู้สั่ง ผู้สั่งคือใจสั่งให้ทาบุญสั่งให้เสียสละแบ่งปันมีข้าวของเงินทองก็เอามาช่วยเหลือผู้ที่เขาขาดแคลนเช่นพระสงฆ์องค์เจ้าท่านไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ท่านอาศัยการกินอยู่จากการแบ่งปันของศรัทธาญาติโยมศรัทธาญาติโยมที่มี ความเชื่อในบุญเชื่อว่าทำบุญแล้วจะไปสวรรค์ทำบุญแล้วจะมีความสุขก็มาทำบุญตามคำเชื่อพอทำแล้วผลก็เกิดขึ้นที่ใจทันทีเวลาทำบุญมีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจสบายใจร่างกายไม่มีความรู้สึกอะไรจากการทำบุญ ร่างกายถ้าหิวก็ยังหิวเหมือนเดิมอยู่ถ้าอิ่มก็อิ่มเหมือนเดิมไม่มีไม่ได้รับผลอะไรจากการทาบุญเพราะผู้ที่รับผลและผู้ที่กระทาก็คือจิตใจนี้เองอันนี้ถ้าเราไม่คิดไม่เรียนรู้ไม่มีใครมาบอกให้เราคิดเราก็จะไม่รู้ ส่วนใหญ่นิยมโยมไม่รู้คำว่าบุญแปลว่าอะไรบุญอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้กันรู้เพียงแต่ว่าบุญมันดีบุญทำให้เรามีความสุขแต่ไม่รู้ว่าสุขตรงไหนสุขตรงร่างกายหรือสุขตรงจิตใจไม่รู้แล้วสวรรค์เวลาร่างกายตายไปแล้วใครไปสวรรค์ก็ไม่รู้ เพียงแต่เชื่อว่ายังมีผู้ที่ไม่ตายไปกับร่างกายคือจิตใจที่เราเรียกเป็นว่าดวงวิญญาณเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจิตใจก็เปลี่ยนชื่อเหมือนกับตอนที่เวลายาโยมผู้หญิงแต่งงานก็เป็นนางหรือก่อนแต่งงานก็เป็นนางสาวเวลา ไม่ได้แต่งงานก็เป็นนางสาวเวลาแต่งงานก็เป็นนางจิตใจก็เปลี่ยนชื่อเหมือนกับญาติโยมผู้หญิงนี่แหละเวลาแต่งงานกับร่างกายก็เรียกว่าจิตใจเวลาหย่าจากร่างกายเวลาไปเป็นโสดก็เรียกว่าดวงวิญญาณจิตใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจิตใจนี่แหละผู้ที่ไปเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปที่ทําไว้ในขณะที่มีร่างกายถ้าทําบุญมากกว่าบาปบุญก็จะมีกําลังที่จะดึงใจให้ไปเป็นเทวดาไปอยู่ในสวรรค์ถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบุญถ้าทําบาปมากกว่าบุญ บาปก็จะดึงใจให้ไปเกิดในอบายไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปนรกนี่แหละคือเรื่องที่ลึกลับสำหรับพวกเราที่พวกเรายังไม่เห็นกับตาของเราเองเพราะตาของพวกเรานี่ยยังมืดบอดอยู่ยังถูกโมหะอวิชชาความหลง ความเห็นผิดเป็นชอบหรือเรียกว่ามิจฉาทิฏฐินี่เองปิดบังอยู่จึงทามองทำให้มองไม่เห็นว่านรกมีจริงหรือไม่สวรรค์มีจริงหรือไม่ผู้ที่ทำบุญแล้วไปสวรรคนี้เป็นจริงหรือไม่ผู้ที่ทำบาปแล้วไปนรกไปอาบายนี้จริงหรือไม่ผู้ที่สามารถปฏิบัติธรรม มีดวงตาเห็นธรรมก็สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้มีจริงหรือไม่เรื่องราวเหล่านี้สำหรับพวกเราที่ยังไม่มีตาในยังไม่ได้เปิดตาในนี้จะไม่สามารถรู้ได้เลยเหมือนกับถ้าญาติโยมถูกปิดตาขณะที่มาที่นี่เราให้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วปิดตานี่ ญาโยนจะไม่เห็นเลยว่าขณะนี้มีคนมานั่งกันกีนก่คนมีใครบ้างมีคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักมีพระพุทธรูปตั้งอยู่ที่ตรงไหนศาลาเป็นรูปร่างลักษณะอย่างไรสิ่งเหล่านี้คนที่ถูกผ้าปิดตาไว้นี้จะไม่รู้เลยจะมองไม่เห็นเลยจะเห็นได้ก็ต้องเอาผ้าปิดตาออก พระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตาสาวกนี่ท่านฉลาดท่านรู้ว่าตาในของท่านถูกปิดไว้ท่านก็เลยพยายามหาวิธีที่จะมาเปิดตาในของท่านเพื่อให้เห็นสิ่งต่างๆที่ท่านมองไม่เห็นในที่สุดท่านก็ทรงค้นพบวิธีที่จะเปิดตาในขึ้นมาเพื่อให้เห็น สิ่งต่างๆที่ตาในมองไม่เห็นคือโลกทิพย์นี่เองโลกของจิตวิญญาณโลกของเทวดาโลกของเปรตโลกของอสุลกายโลกของพรหมโลกของพระอริยเจ้าโลกของพระนิพพานสิ่งเหล่านี้พอเราเอาสิ่งที่ปิดตาไว้ออกไป เราก็จะสามารถเห็นสิ่งต่างๆได้ทันทีเช่นญาโยมที่เอาผ้าปิดตาไว้พอเปิดเอาผ้าปิดตาออกปับลืมตาขึ้นมาก็จะเห็นเลยว่าออมีคนนั่งอยู่ตรงนี้หลายคนด้วยกันมองไปก็อาจจะเห็นคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักดูศาลาก็จะได้รู้ว่าศาลานี้ทําด้วยอะไรทําด้วยอิดด้วยปูน หรือทำด้วยไม้ทำด้วยสังกสีอันนี้พอเปิดตาออกปั๊บก็จะเห็นจันใดพระพุทธเจ้ากับพระอาหลานตสาวกนี้ท่านเป็นผู้ที่สามารถเปิดตาในของท่านได้ท่านจึงเห็นสิ่งต่างๆที่พวกเรามองไม่เห็นกันเพราะตาในของเรายังถูกปิดอยู่ คนแรกที่สามารถเปิดตาในาได้ก็คือพระพุทธเจ้านี่เองซึ่งนานๆจะมีปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งถ้ามีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาแล้วามาบอกความจริงให้กับพวกเราพวกที่เชื่อความคำคำพูดของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติ ไม่ช้าก็เร็วก็จะสามารถเปิดตาในได้เอาสิ่งที่ปิดตาในออกไปได้คือเอาโมหะความเห็นผิดเป็นชอบวิชชาทิฏฐิเอาอาวิชชาความไม่รู้ให้ออกไปได้พอเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปจากตาในตาในก็เห็นความเป็นจริง เห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของดวงวิญญาณต่างๆเห็นว่าบุญนี้เป็นเหตุที่พาให้ไปสวรรค์เห็นว่าบาปนี้เป็นเหตุพาให้ไปนรกไปอาบายเห็นว่าตัณหาความอยากกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเป็นเหตุที่พาให้ดวงวิญญาณ กลับมาเวียนไหวตายเกิดอยู่เรื่อยๆตายจากโลกนี้ไปก็ไปเป็นเทวดาไปหรือไปเป็นเปรตพอพ้นจากบาพ้พนจากบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มามีร่างกายอันใหม่เพราะว่ามีความอยากมีความโลภความหลงความโกรธยังอยากหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ก็ต้องมีร่างกายพอพ้นจากบาป พ, พ้นจากบุญที่ได้ทำไว้แล้วก็กลับมาหาร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่ก็ใช้ร่างกายอันใหม่นี้ไปหาสิ่งต่างๆที่อยากจะหาอยากจะได้อยากได้อะไรก็อยากได้ลาบยศสรรเสริญ อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่เองดวงวิญญาณที่เป็นดวงวิญญาณพอมาได้ร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจเราก็สั่งให้ร่างกายไปหาสิ่งต่างๆที่อยากจะได้นี่ญาติโยมทุกคนนี้มีความอยากเหมือนกันทุกคนอยากได้ลาบกันทั้งนั้นเห็นหมวันหวยออกนี่ใส่บาตรทำบุญกันอยากจะได้ลาบ อยากจะถูกหวยอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตทุกคนพอเริ่มทำงานแล้วอยากจะได้ตำแหน่งสูงขึ้นไปเป็นนายสิบก็อยากจะเป็นนายร้อยเป็นนายร้อยก็อยากจะเป็นนายพันเป็นนายพันก็อยากจะเป็นนายพลเป็นคนธรรมดาก็อยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นผู้แทนเป็นสส พอเป็นผู้แทนก็อยากจะเป็นรัฐมนตรีพอเป็นรัฐมนตรีก็อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนไม่ว่าใครก็ตามไม่เชื่อลองใครเข้ามาเสนอดูอยากจะอยากให้เป็นนายกจะเป็นไหมจะกล้าปฏิเสธหรือเปล่าไม่กล้าหรอกใครมาให้เป็นเป็นไม่เป็น รู้หรือเปล่าว่านายกเป็นยังไงพอรู้ว่าเป็นใหญ่ก็เอากันก่อนแนละ้วคว้าไปก่อนนะถ้าเป็นนายกแล้วสามารถใช้อำนาจสั่งชี้นกเป็นนกชี้ฟ้าเป็นฟ้าได้ก็อยากได้กันทางนั้นแล้วทุกคนก็อยากได้รางวัลกันฮนะทําอะไรแล้วอยากจะได้ให้เขายกย่องสรรเสริญถ้าเขาประกาศว่าปีนี้เป็นพ่อดีเด่นเป็นแม่ดีเด่น เป็นนักกีฬาดีเด่นเป็นดาราดีเด่นโอ้โหก็ดีใจกันอยากจะได้กันแล้วก็อยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกัน อ, อยากดูอยากฟัง อ, อยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอะไรต่างๆ อ, อันนี้แหละเป็นตัวที่พาให้พวกเรามามีร่างกายกันเพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายนี้พาไปหาสิ่งต่างๆ ที่เราอยากได้กันแต่เราไม่รู้ว่าการที่จะได้สิ่งต่างๆนี้มาบางทีมันก็จะบังคับให้เราทําสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกับเราก็คือทําบาปนั่นเองบางทีอยากได้อะไรแล้วไม่สามารถหาได้โดยไม่ทําบาปก็ต้องทําบาปกันพอทําบาปแล้วก็ต้องไปรับผลบาป เวลาตายไปอันนี้ไม่รู้กันรู้เพียงแต่ว่าทำบาปแล้วถ้าไม่ถูกตำรวจจับก็ก็ยังไม่ต้องไปรับผลบาปก็เลยไม่ค่อยกลัวบาปกันแต่ผลบาปนี้ไม่ใช่ร่างกายเป็นผู้รับใจนี้แหละเป็นผู้รับที่หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว กฎแห่งกรรมก็จะมาจัดการกับร่างกายกับจิตใจทันทีร่างกายก็ถูกกฎของอนิจจังคืออนัตอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือเสื่อมสลายไปร่างกายพอหมดลมหายใจก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปเวลาเผาแล้วก็เหลือแต่ดินนะเวลาร่างกายไปเผาดิน ก็เหลือแต่ดินน้ํากับลมกับไฟที่ติดอยู่ในร่างกายก็ถูกไฟแยกออกไปน้ําก็ระเหยออกไปหมดไฟก็หายไปหมดลมก็หายไปหมดเหลือเพียงแต่ดินก็คือขี้เถ้าหรือเศษกระดูกที่ยังไม่ถูกไฟเผ า, านี่คือร่างกายร่างกายเวลาตายไปก็จบลงที่เมน แต่ใจนี้ไม่ได้จบที่เมรุใจนี้ไปต่อไปอำนาจไปตามอำนาจของบุญหรือของบาปต่อไปถ้าเป็นอำนาจของบาปคือทำบาปมากกว่าทำบุญบาปมันจะมีกำลังมากกว่าเวลาร่างกายตายไปบาปจะมาดึงใจให้ไปรับผลบาปทันทีถ้าบุญมีกำลังมากกว่า บุญก็จะดึงให้ไปรับผลบุญทันทีแล้วก็ไปรับผลบุญผลบาปจนกว่าบาปและบุญนี่มีกําลังเท่ากันเออสมมติว่าตอนเราตายเรามีบาปแปดสิบมีบุญหกสิบเนี่ยบาปมันก็จะดึงไปทางบาปแล้วไปรับผลของบาปพอรับผลของบาปแล้วบาปก็จะลดลงมา จาก80ก็จะลงมา60พอ60เท่ากับบุญ60ก็ไม่สามารถดึงใจให้อยู่ในอบายได้บุญก็ไม่สามารถดึงใจให้ไปสวรรค์ได้เพราะมันมีกําลังเท่ากัน60 60ก็มารอรับร่างกายอันใหม่ เ, เวลาที่บุญกับบาปมันเท่ากันนี่เป็นเวลาที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์กัน แล้วพอเรามาเกิดเป็นมนุษย์เราก็ไปทำตามความอยากต่างๆกันแล้วเราก็ทำบาปทำบุญกันแล้วแต่โอกาสถ้าเกิดมาโชคดีหาไรายได้ง่ายไม่ต้องทำบาปแล้วหาได้มากก็เอาไปแบ่งให้คนอื่นเช่นวันนี้ญาติโยมเอาเงินทองที่เหลือเหลือกินเหลือใช้เอามาทำบุญก็ไปเพิ่มบุญ จาก60ให้เป็น 80-90 นะแล้วถ้าญาติโยมไม่ทำบาปหรือทำน้อยทำทีเรหนึ่งสองสบาปก็ขึ้นน้อยกว่าบุญบุญขึ้นมากกว่าบาปพอเวลาตอนที่ตายไปบุญอาจจะได้ร้อยบาปอาจจะได้แค่เจตอนนั้นบุญก็จะดึงให้เราไป เป็นเทวดากันไปอยู่ในสวรรค์กันจนกว่าบุญที่พาเราไปลดกำลังลงลดลงเหลือเจ็ดสิบบาปก็เจดสบก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เนี่ยเราก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรียกว่าการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราถ้าเรายังไม่กำจัดกิเลสตัณหาคือความโลภ ความอยากต่างๆความโลภความอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขจากรูปเสียงกลื่นลดต่างๆเราก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยๆและพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมาทุกขกับสภาพของความเป็นมนุษย์ต้องทุกกับการเลี้ยงดูร่างกายต้องทุกกับการประเชิญกับภัยต่างๆของร่างกาย ร่างกายนี้ก็มีภัยมาให้ความทุกข์อยู่เรื่อยๆภัยจากอากาศภัยจากบุคคลภัยจากเชื้อโรคภัยจากเหตุการณ์อดอยากขาดแคลนภาวะสงครามอะไรต่างๆเหล่านี้ร่างกายก็จะต้องเจอกับภัยชนิดต่างๆแล้วก็ยังต้องมาเจอกับภัยของร่างกายเอง ก็คือความแก่ความเจ็บความตายการมีมาเกิดมีร่างกายเพื่อที่จะมาหาความสุขนี้กับไปเจอความทุกข์มากกว่าเจอความสุขกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพราะว่าไม่รู้จักวิธีกําจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปนั่นเอง ก็จำเป็นจะต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆ เ, ออเกิดมาแล้วก็มาหาสิ่งต่างๆที่อยากได้ออได้มาแล้วก็เอาไปทำบุญ เ, ออเวลาหาบางทีก็หาโดยวิธีทำบาปออก็จะสะสมบุญสะสมบาปไว้ในใจไปพอจนถึงเวลาร่างกายตายไปบุญกับบาป ก็จะมาพาไปสวรรค์พาไปนรกพาไปอบายแล้วพอบุญกับบาปมีกำลังเท่ากันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาหาลาบยศสลรเสริญมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันใหม่ก็จะเวียนกันไปอย่างนี้มาเรื่อยๆถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์กี่ครั้งแล้ว พระพุทธเจ้าบอกว่าให้เอาน้ําตาที่เราหลังในแต่ละครั้งที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราทุกคนเกิดมานี่ไม่มีใครไม่ร้องไห้ใช่ไหมทุกคนต้องร้องไห้ต้องหลังน้ําตาถ้าเราเก็บน้ําตาที่เราหลังในแต่ละครั้งที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเอามารวมกันนี้ท่านบอกว่ามากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรนะคิดดูว่าน้ําตาของพวกเราที่เคยหลังมาเนี่ย มากยิ่งกว่าน้าในมาหาสมุทรเนี่ยจะต้องมาเกิดกี่ครั้งด้วยกันมาร้องห่มร้องไห้ให้มีน้ำตามากยิ่งกว่าน้ำในมาหาสมุทรนั่นแหละคือปริมาณของความทุกข์ที่พวกเราเจอกันในขณะที่เรามาเกิดกันแล้วก็ยังไม่ไม่มีวันหมดด้วย ลาบใดถ้าเรายังไม่ได้มาเจอพระพุทธเจ้าหรือเจอพระอาหารหันตสาวกเราจะไม่รู้จักวิธีหยุดการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้ต้องรอให้มีโอกาสมีจังหวะซึ่งนานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งจังหวะที่จะมาเจอพระพุทธเจ้านี้มันเป็นของที่ยากยิ่งกว่า เวลาที่เราไปเจอรถที่เราจอดอยู่ที่สี่แยกไฟแดงสมมุติเราขับรถไปจอดที่สี่แยกไฟแดงวันนี้ตรงตรงที่พัทยากลางข้างซ้ายเป็นรถสีเขียวข้างขวาเป็นรถสีแดงตรงนี้เราขับไปจอดที่เดิมอีกดูซิว่าจะเจอรถสีเขียวสีแดงที่อยู่ข้างซ้ายข้างขวาหรือไม่โอกาสที่จะเจอรถแบบนี้ มันยังง่ายกว่าโอกาสที่เราจะมาเกิดมาเจอพระพุทธเจ้าหรือเจอพระอาหารหันตาสาวกเนี่ยหรือเจอพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าคือต้องเจอพระพุทธศาสนาเพราะในพระพุทธศาสนานี้จะมีมีพระพุทธเจ้าหรือมีพระธรรมคําสอนหรือมีพระอริยสงสาวกที่จะเป็นผู้ที่จะมาสอนเรา ให้เรากำจัดความโลภความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปได้แล้วถ้าเรากำจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจเราได้ใจก็จะไม่มีอะไรดึงให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก <G ül üyor> การหลั่งน้ำตาแบบไม่มีวันสิ้นสุดนี้ก็จะมีวันสิ้นสุดลง <G ül üyor> ความทุกข์ต่างๆที่เรา คอยมีมามากน้อยเท่าไหร่ก็จะหมดไปเพราะว่าเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วถ้าเราสามารถกําจัดความโลภความอยากต่างๆได้เราก็ไม่จำเป็นจะต้องมีร่างกายถ้าเราไม่มีความอยากได้ลาบยศสรรเสริญไม่มีความอยากได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ต้องมีร่างกายมเมื่อเราไม่มีร่างกายเรา ก, เราก็จะไม่ต้องมีการร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังมีความทุกข์อยู่พวกเราตอนนี้กำจัดความโลภความอยากกันได้หรือยัง เลิกอยากได้ลาบยศสารเสิญเล้กอยากได้รูปเสียงกิ่นดกันหรือยังหรือยังอยากได้อยู่เหมือนเดิมยังอยากรวยอยู่หรือเปล่ายังอยากมีเป็นใหญ่เป็นโตหรือเปล่ายังอยากได้เกียรติยศหรือเปล่าอยากจะได้การยกย่องสารเสิญเยินยอหรือเปล่ายังอยากได้รางวัลต่างๆหรือเปล่ารางวัลดีเด่นต่างๆ พ่อดีเด่นแม่ดีเด่นลูกดีเด่นกันันดีเด่นนายอำเภอดีเด่นผู้ว่าดีเด่นพระดีเด่นยังอยากกันหรือเปล่าถ้ายังอยากอ ย, กอยู่ก็ยังต้องกลับมาเกิดกันตอบเพราะว่าสิ่งที่เราได้มาได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปเวลาตายไปเอาไปไม่ได้ถ้าเอาไปได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดกันใช่ไหม ถ้าเราเอาสิ่งที่เรามีได้นี่พอเราตายไปเราขนไปได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดนะถ้าเราเอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เราหาได้เวลาเราตายไปเราขนไปได้ด้วยนี่เหมือนกับเวลาเราย้ายบ้านนี่เราขนเข้าของไปกันหรือเปล่าขนใช่ไหมเวลาย้ายบ้านนี่เข้าของนี่เอาไปหมดเลยเพราะของบ้านเราเอาไปไม่ได้ก็ทิ้งบ้านมันเท่านั้นเอง แต่ของไหนเราขนไปได้นี่เราขนไปหมดเลยแต่ของที่เราได้ในโลกนี้เวลาเราตายไปนี่เอาไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวแม้แต่ร่างกายนี้ก็เอาไปไม่ได้เมื่อเอาไปไม่ได้เราจะทํายังไงเราก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาหามันใหม่เนีย่ยนี่เหตุที่ทําให้เราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆ เพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราหามาได้กันนี่เราเอาไปไม่ได้แต่เรายังอยากมีมันอยู่ยังอยากได้มันอยู่พอเราเอาไปไม่ได้เราก็เลยต้องกลับมาหาใหม่เราก็เลยกลับมาร้องห่มร้องไห้กันใหม่ทุกครั้งที่เรากลับมาเกิดนี่ต้องร้องห่มร้องไห้กันน้ำตาที่เราหลั่งกันมากยิ่งกว่าน้ำในมาหาสมุทร แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะได้มาเจอคนที่รู้จักวิธีหยุดการกลับมาเกิดได้ก็คือพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสาวงศทั้งหลายท่านได้ค้นพบเครื่องมือเครื่องมือที่จะมาหยุดการกลับมาเกิดแก่เจ็บตาย ถ้าเราได้พบท่านก็จะสอนเราเราก็จะได้ยินคําสั่งคําสอนว่าถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายมาเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องทําตามที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้กระทํากันเพราะว่าหลังจากที่ท่านได้กระทําแล้วท่า น, นก็สามารถกําจัดความโลภความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้เลยเ วิธีที่จะกำจัดความโลภความอยากความต้องการในต่างๆจากสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้พระพุทธเจ้าก็สอนว่าเราต้องมาทำสามอย่างด้วยกันอย่างที่หนึ่งก็ให้เราทำทานให้เราเอาเงินทองที่เราเหลือกินเหลือใช้นี้เอาไปแจกเอาไปจ่ายให้คนอื่น เพื่อที่จะกำจัดความอยากล่อมอยากรวยนั่นเองห้ามรวยถ้าอยากจะไม่อยากจะกลับมาเกิดต้องอยา่าอยากรวยถ้ารวยแล้วต้องรีบทำตัวให้จนทำแบบพระเวชสันดรเห็นมมีเงินเท่าไหร่เก็บไว้เท่าที่จำเป็นเก็บไว้พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้แล้วส่วนที่รวยนี่เอาไปแจกจ่ายชาวบ้าน เอาไปช่วยเหลือคนยากคนจนนะนี่คือขั้นที่หนึ่งท่านบอกให้ทาทานนะทำทานเพื่อให้เราจะได้กำจัดความอยากรวยได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันได้เท่าไหร่มันก็ไม่พอนะได้ล้านก็อยากจะได้สิบล้านได้สิบล้านก็อยากจะได้ร้อยล้าน ได้ร้อยล้านก็อยากจะได้พันล้านอยากไปทําไมได้แล้วเอาไปได้หรือเปล่าก็เอาไปไม่ได้มีอยู่ก็เอาไว้กินได้หรือเปล่าก็ใช้ไม่หมดเองอะนั่นพระพุทธเจ้าบอกว่าวิธีที่จะทําให้เราไม่อยากรวยก็คือต้องคอยกําจัดเงินที่ทําให้เรารวยให้พยายามอยู่แบบคนธรรมดาหรือคนยากจนจะได้ ไม่ต้องมาอคอยกลับมาหาเงินหาทองอยู่เรื่อยทีนี้บางทีเรามันเก่งหรือโชคดีทำมาหากินเก่งโชคดีเงินทองไหลมาเทมาเห็นไหมแบบเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกโชคดีผลิตสินค้าขึ้นมามีคนชอบซื้อก็ซื้อกันใหญ่ซื้อจนกระทั่งเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกแต่ก็เอาเงินไปใช้ไม่ได้อยู่ดี เงินกี่แสนร้อยกี่แสนล้านนี่เอาไปใช้ได้ที่ไหนเอาไปกินได้ที่ไหนก็แต่ก็ยังยังหวงยังอยากได้เพิ่มขึ้นอีกเพราะนี่คือธรรมชาติของความอยากมันไม่มีขอบเขตพระพุทธเจ้าบอกว่าณนะท้องฟ้ามหาสมุทรทะเลนี่กว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนมันยังมีขอบมีฝั่ง แต่ความอยากนี้มันไม่มีขอบไม่มีฝั่งมันจะขยายออกไปเรื่อยๆพอในล้านมันก็จะขยายเป็นสิบล้านขึ้นมาพอสิบล้านมันก็จะขยายเป็นร้อยล้านพันล้านขยายไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดและการที่ทำให้มีความอยากนี้มันก็จะต่อสนับสนุนความอยากให้มีอายุยืนยาวนานขึ้นไปเรื่อยๆ วิธีที่เราจะตัดความอยากให้มันน้อยลงก็คือต้องอย่าไปทำตามความอยากพอได้ล้านหนึ่งอยากจะได้สิบล้านก็บอกเอาแค่ห้าแสนก็พอถ้าอยู่ถ้ามีห้าแสนอยู่ได้ก็ล้านหนึ่งนี่ก็มากเกินไปเอาไปทำบุญสักครึ่งหนึ่งเก็บไว้แค่ห้าแสนถ้ามันต่ำกว่าห้าแสนแล้วค่อยไปหามาถ้าเกินห้าแสนก็เอาไปทาบุญ เราต้องมีขอบเขตของการมีเงินมีทองเพราะว่าส่วนหนึ่งของร่างกายของชีวิตเราต้องมีเงินทองในการเลี้ยงดูเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราก็มานั่งคิดดูเสียว่าเดือนหนึ่งเราใช้เงินสักกี่ตังค์สำหรับปัจจัยสี่ค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านค่าอาหารค่าเสื้อผ้าค่ายารักษาโรค ลองบวกลบคูณหารดูว่าเราต้องมีเท่าไหร่ถึงจะพอถ้ามีเท่านี้พอแล้วถ้ามันมีมากกว่านี้อย่าให้มันมีมากกว่านี้เพราะมันจะเป็นความโลภพอมันมากกว่านี้หนึ่งเท่าเดี๋ยวมันก็อยากจะมากกว่านี้สองเท่ามันจะเพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเราเพิ่มความอยากไปเรื่อยๆการจะกลับมาเกิดก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ การเพิ่มความอยากก็เท่ากับการเพิ่มภพชาติที่เราจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันนั่นเองถ้าเราต้องการตัดภพตัดชาติให้ลดน้อยลงไปให้เหลือน้อยลงไปเราก็ต้องตัดความอยากในราบยศสันละเส ร, รนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้ใช้หลักของมักน้อยสันโดษในการดำรงชีพ ให้มีเท่าที่จำเป็นเรียกว่าน้อยมักน้อยให้มีเท่าที่จำเป็นเดือนนึงต้องใช้กี่ตังค์ใช้สามพันถ้ามีมากกว่านั้นก็อย่าเก็บเอาไว้ใช้แค่สามพันพอมีมากก็เอาแบ่งไปให้คนอื่นใช้มันจะได้ไม่มีความโลภพอถ้ามันมปล่อยให้มีความโลภอยากได้เป็นห้าพันพอได้ห้าพันมันก็ใช้ห้าพันขึ้นไป ของก็อันเดียวกันนี่แหละแต่เปลี่ยนราคาเท่านั้นเองใคยกินข้าวมื้อละห้าสิบก็ไปกินข้าวมื้อละร้อยมันก็ข้าวเหมือนกันกินเสร็จมันก็อิ่มเหมือนกันได้ประโยชน์เท่ากันแต่ต้องเสียเงินเพิ่มมากขึ้นเพราะความโลภอยากจ ะ, ะกินของราคาแพงขึ้นไปแล้วมันก็จะทำให้โลภอยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปอีก นี่เราต้องคอยมาเรียกว่าบอนไซความโลภความอยากเคยเห็นต้นไม้บอนไซไหมโยมอ่าอ่อาเขาปลูกก็ไว้ใส่ในกระถางไว้ในบ้านได้เพราะเขาคอยตัดกิ่งตัดก้านตัดใบมันอยู่เรื่อยๆไม่ปล่อยให้มันจเจริญเติบโตไปตามธรรมชาติของมันถ้าปล่อยให้มันโตเดี๋ยวกระถางแตกกระถางที่ใส่ต้นไม้มันจะแตกแล้วถ้ามัน ถ้าลงดินได้มันก็จะใหญ่โตเป็นต้นไม้ขึ้นมาใหญ่โตอยู่ไม่ทำให้บ้านหลังคาพังได้เราต้องคอยบอนไซมันยัในใดถ้าเราต้องการตัดภพตัดชาติเนี่ยวิธีแรกก็คือเราต้องมากําจัดความอยากในลาบยศจัลเสริญในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่าปล่อยให้มัน ออทะเยอทะยานปล่อยให้มันขยายตัวเราต้องใช้เหตุผลในการที่เราจะมาควบคุมความอยากในทางทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็มีไว้เพื่อรักษาเลี้ยงดูร่างกายเราเท่านั้นประโยชน์มันมีเท่านั้นถ้าเอาไปใช้อย่างอื่นก็เอาไปเพิ่ม ความทุกข์ให้กับเราไปเพิ่มกิเลสตัณหาให้มากขึ้นพอมีเงินมากกว่าที่เราจะใช้กับสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของหรูหรามันก็ซื้อตามความอยากมันก็ทำให้เกิดความอยากเพิ่มมากขึ้นซื้อคันนี้แล้วก็อยากจะได้อีกคันหนึงเเห็นเศรษฐีอาลับไหมมีรถเป็นร้อยคันพอเห็นรถรุ่นใหม่ออกมาก็อยากจะซื้อ พอมีงินซื้อก็ซื้อมันเดี๋ยวปีหน้าก็มีรุ่นใหม่ออกมาอีกก็ซื้ออีกเนี่ยจนต้องไปสร้างโกดังเก็บรถนคนคนเดียวมีรถต้องร้อยคันมีไว้ไปทำไมมีแล้วมันนั่งทีเดียวพร้อมกันได้ก็เปล่าร้อยคันก็นั่งได้ทีละคันนั่นเองแล้วยังต้องมาจ้างคนเข้ามาคอยดูแลรักษาต้องคอยให้เขามาขับเพราะรถพวกนี้ ซื้อมาแล้วจอดทิ้งไว้เฉยๆไม่ขับไม่วิ่งเดี๋ยวมันก็พังอีกเนี่ยมีแต่พาระมีแต่เรื่องที่จะต้องทำให้เราดิ้นรนหาเงินมาคอยมาดูแลทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอีกเนี่ั้นต้องพยายามมากน้อยแล้วพาระต่างๆมันจะได้น้อยลงมีเท่าที่จำเป็นก็พอเนี่ยสำหรับตัวอย่างที่ พระพุทธเจ้าส่งสอนก็ดูพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นตัวอย่างของผู้มากน้อยพระพุทธเจ้ามีสมบัติกี่ชิ้นรู้ไหมมีแปดชิ้นเท่านั้นเองเรียกว่าอัถบริขานเครื่องของชีพของพระเนี่ยมีอยู่แค่แปดชิ้นคือหนึ่งผ้าสามผืนสามชิ้นบาทหนึ่งใบสี่ชิ้นมีดกรหนึ่งอันห้าชิ้น เข็มขัดลัดเอลหนึ่งชิ้นหกชิ้นเข็มกลับได้ไว้สำหรับซ่อมปะจีวรเจ็ดชิ้นแล้วก็ที่กรองน้ำอีกชิ้นอีกอันหนึ่งเป็นแปดชิ้นนี่คือสมบัติของผู้มักน้อยที่สุดในโลกนี้ไม่มีใครจะมักน้อยเท่ากับพระพุทธเจ้าใครมาสมัครเป็นลูกศิษย์ของพุทธเจ้าก็ต้องทาตามที่พุทธเจ้าปฏิบัติ เ, เวลาบวชพระนี่เขาให้เอาแค่ให ให้ให้สมบัติกับผู้บวชใหม่นี้เพียงแปดชิ้นนี้เท่านั้นเองเวลาเข้าไปใดโบวชในอุปชาจะถามว่าบาทมีหรือยังจีวรมีหรือยังถ้ามีก็แปดชิ้นก็บวชเป็นพระได้แล้วก็ห้ามไม่ให้มีมากไปกว่านั้นนี่คือแล้วมันจะสบายมันจะไร้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการโลภหาหาบาทรพอได้บาตร บาดเหล็กแล้วเดี๋ยวมีคนถวายบาทเงินขึ้นมาก <c oughs> ็อยากได้บาททองแล้วสิเลยเห็นพระรูปเลนเขามีบาททองเรามีบาทเงินก็อยากจะได้บาททองขึ้นมาพระพุทธเจ้าสอนให้ให้มีความมักน้อยจะได้ตัดความโลภบ่อนใจความโลภไม่ให้มันมีกําลังมากขึ้นไปเพราะว่าเราจะได้กําจัดมันได้ง่ายเพราะว่า ถึงแม้ ว, ว่าเราจะใช้ความมากน้อยสันโดษมาคอยควบคุมความอยากแล้วแต่มันยังไม่หมดนะความมากน้อยสันโดษนี้ฆ่าทําลายความอยากไม่ได้ต้องมีการปฏิบัติอีกสองขั้นด้วยกันก็คือขั้นศีลและขั้นสมาธิ ป, ปัญญาถึงจะสามารถที่จะมากําจัดความอยากทําลายความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไป ขั้นแรกนี้ก็เป็นเหมือนกับถ้าตัดต้นไม้ก็ตัดกิ่งตัดใบไปก่อนการทำทานนี้เป็นเหมือนกับตัดกิ่งตัดใบของความอยากแล้วเราก็มาตัดที่ก้านกิ่งใหญ่ก้านใหญ่ก็เ ร, เรียกว่ามารักษาศีลกัน สีนี้ก็จะมาทำมาคอยควบคุมความอยากที่อยากจะได้อะไรมากๆง่ายๆเร็วๆ ว, วิธีที่จะได้อะไรมากๆง่ายๆเร็วๆต้องทำอย่างไรก็ต้องโกงต้องขโมยเงินของคนอื่นช่อโกงคอร์รัปชันลักทรัพย์ปล้นจี้มันง่ายใช่ไหมอยากจะได้เงินนี่ไปมีปืนกระบอกเดียวไปที่ร้านทองไปจี้เอาปืนไปจี้เขาเดียวเขาก็ยกให้หมดทองในร้านมีเท่าไหร่ นี่ไม่ต้องการให้สนับสนุนการหาเงินหาทองแบบนี้เพราะเป็นการสนับสนุนความโลภ ก, ก็เลยต้องให้มารักษาสีหน้ากันอย่าทำบาปอย่าไปรักทรัพย์อย่าไปพ้นไปที่อย่าไปฆ่าผู้อื่นเพื่อที่จะเอาผลประโยชน์จากเขาบางคนฆ่าพ่อฆ่าแม่เพื่อจะเอามรดกก็ม่อันนี้ ต้องระวังถ้าไม่มีศีลแล้วเดี๋ยวความอยากมันจะพาให้เราไปทำบาปแล้วก็ทำให้เราต้องไปรับโทษ ด, ด้วยเพราะบาปตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายแล้วก็ไม่หยุดการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องมากําจัดความอยากในการกระทาบาป อยากฆ่าก็อย่าฆ่าอยากรักทรัพย์ก็อย่ารักทรัพย์อยากจะพื่ผิดประเวณีก็อย่าประพฤติผิดประเวณีอยากโกหกก็อย่าโกหกอยากดื่มสซลายาอยากเสพบายะมุขก็อย่าเสพอันนี้ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งในการกำจัดความอยากที่เกิดจากการกระทําของเราก็เป็นเหมือนกับการตัดก้านของต้นไม้ให้เหลือแต่ลำต้น ตอนตอนก็ตัดกิ่งตัดใบแล้วก็มาตัดก้านทีนี้ก็เหลือลําต้นทนี้ขั้นต่อไปก็มาตัดต้นวิธีที่จะตัดต้นก็ต้องใช้วิธีนั่งสมาธิเวลาเรานั่งสมาธิเราก็จะตัดต้นให้เหลือแต่ตอแต่ต้นไม้มันก็ยังไม่ตายเพราะว่ารากมันยังมีฝังอยู่ในดินถ้าทิ้งไว้อยู่ ต่อไปรากมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่ได้กิ่งก้านต้นไม้มันก็จะงอกขึ้นมาได้เพราะว่ารากมันยังมีอยู่รากมันจะหาอาหารมาหล่อเลี้ยงต้นไม้ให้เจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาใหม่ได้สมาธินี้ก็กำจัดได้เพียงแต่กำจัดความอยากได้ชั่วคราวเวลานั่งสมาธิเวลาจิตสงบความอยากหายไปหมด ความอยากกล้ามอยากรวยอยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยากมีนั่นมีนี่ไม่มีอยู่ในใจตอนที่อยู่ในสมาธิใจสงบนิ่งเพราะใจไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆความคิดถึงเรื่องราวต่างๆนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เราอยากได้กันพอคิดถึงเงินก็อยากได้ขึ้นมาพอคิดว่าวันนี้หวยจะออกนี่ ต้องรีบไปซื้อแทงหวยกันล่ะแต่ถ้าไม่ได้คิดลืมไปหวยออกอา้าวันนี้หวยออกเลว้ว่าไม่ได้คิดถึงมันเลยเพราะมัวแต่นั่งสมาธาิความอยากที่จะรวยก็จะหยุดไปชั่วคราวแต่พอออกมาจากสมาธิถ้าไม่ควบคุมความคิดเดี๋ยวมันก็คิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอคิดแล้วก็เกิดความอยากได้ขึ้นมาคิดถึงคนนั้นก็อยากจะไปหาเขา คิดถึงสิ่งนั้นก็อยากจะได้มันเอแต่ถ้าเราสามารถควบคุมความคิดได้ทําใจให้นิ่งให้สงบได้ความอยากต่างๆก็จะหายไปชั่วคราวก็เปรียบเหมือนกับการตัดต้นไม้ตัดต้นมันออกไปแต่พอเราออกจากสมาธิมาพอเริ่มคิดเรื่องนี้ความอยากมันก็งอกขึ้นมาใหม่ เหมือนกับต้นไม้ที่เราตัดทิ้งไว้เ้วเดี๋ยวมันไม่นานได้น้า ไ, ได้น้าได้น้าได้อะไรมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่ได้ถ้าเราต้องการให้มันตายอย่างถาวรเราก็ต้องถอนรากมันขึ้นมาเลยต้นหญ้าเนี่ยถ้าเราตัดแต่เวลาตัดหญ้านี่มันไม่ตายสนามหญ้าที่เรามีกันอยู่เราใช้เครื่องตัดหญ้าตัดกันกี่รอบเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาใหม่เพราะเราไม่ได้ถอนรากของ ต้นยานั่นเองถ้าเราอยากให้ไม่มีย่าอยู่ในบ้านเราเลยเนี่ยเราต้องถอนรากมันขึ้นม า, นาวิธีที่จะถอนรากของตันหาความอยากความโลภนี้ต้องถอนด้วยปัญญาสมาธินี้ถอนไม่ได้ไม่มีความสามารถเพียงแต่ตัดมันได้ตัดไม่ให้มันงอกงามขึ้นมาได้แต่ไม่สามารถที่จะถอนรากถอนโคนของต้นไม้ต้นยาได้ ผู้ที่จะมีความสามารถถอนต้นถอนรากของต้นไม้ต้นหญ้าไดานี้ก็คือปัญญาปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐินี่ความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าการที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันนี้ก็เกิดจากความโลภความอยากของเราถ้าเราไม่ต้องการกลับมาเกิดกลับมาทุกข์กลับมาร้องห่มร้องไห้น้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรเราก็ต้องมาหยุดความโลภความอยากกัน วิธีหยุดความโลภความอยากก็ต้องทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิแล้วก็ใช้ปัญญาคอยคอยเตือนใจสอนใจว่าต่อไปนี้ห้ามโลภห้ามอยากถ้าไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปพอรู้ว่าโลภอะไรปั๊บแล้วจะต้องกลับมาเกิดถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็เลิกไม่เอาดียวกาอยากจะได้เงินอยากจะรวยก็ไม่เอาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตก็ไม่เอาอยากจะได รังวีรังวันอะไรก็ไม่เอาไม่เอาอะไรทั้งนั้นเพราะไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกแล้วอันนี้ในที่สุดมันก็จะสามารถทาลายความอยากถอดถอนความอยากที่มีอยู่ในใจของเราให้หายไปหมดเพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจแล้วก็เหมือนกับสนามหญ้าที่เราถอนถอนต้นหญ้าออกมาจากดินหมดแล้ว ทีนี้ฝนตกกี่ครั้งกี่รอบก็ไม่มียางงอกขึ้นมาอีก เ, เพราะว่าเราถอนมันหมดถ้ามันยังโผล่ขึ้นมาก็ถอนมันไปเรื่อยๆยังมีรากหลงเหลืออยู่พอฝนตกน้ําบอ่อได้น้ํามันจะโผล่ขึ้นมาเราก็ไปคอยถอนมันอยู่เรื่อยๆต่อไปมันก็จะไม่มียอดต้นหญ้าที่จะมาโผล่ขึ้นอีกต่อไปนต้องถอนด้วยปัญญา แต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นปัญญาได้ก็ต้องผ่านขั้นที่ง่ายขึ้นไปก่อนขั้นทาทานก่อนขั้นรักษาศีลก่อนขั้นสมาธิก่อนแล้วถึงจะไปสู่ขั้นปัญญาได้ในลาดับสุดท้ายดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรามากำจัดความโลภความอยากมายุติการเวียนว่ายตายเกิดกันด้วยการมา ทำทานมันรักษาศีลศีลห้าศีลแปดตามลําดับเริ่มต้นจากง่ายไปหายากศีลห้ามันง่ายกว่าศีลแปดศีลแปดมันง่ายกว่าศีลสิบศีลสิบมันง่ายกว่าศีลสองร้อยี่บเจ็ดต้องหัดทําจากของง่ายขึ้นไปแล้วจะมีกําลังเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอได้รักษาศีลเต็มที่แล้วก็จะมีกําลังที่จะไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบ พอทำใจให้สงบได้ก็จะมีกําลังที่จะมาสอนใจให้เห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้เกิดมาจากความโลภความอยากถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายมาร้องห่มร้องไห้ให้มีน้ำตามากกว่าน้ำในมาหาสมุทรก็ต้องไม่ทำตามความอยากอีกต่อไปพอเกิดความอยากก็ไม่ทำตามอยากไปนั่นก็ไม่ไปอยากดูนั่นก็ไม่ดูอยากฟังนู่นก็ไม่ฟัง ยกเฟ้นของที่จาเป็นต้องทาเช่นถึงเวลากินก็ต้องกินแต่ไม่ได้กินด้วยความอยากกินเหมือนกินยาถ้าต้องทำอะไรที่จำเป็นก็ทำอย่าทำด้วยความอยากเช่นร่างกายมันสกรปรกต้องอาบน้าก็อาบน้าให้มันไม่ใช่อยากจะอาบมันทั้งวันความเหนื่อยแตกนิดหนึ่งก็อยากจะอาบอยากจะอาบให้มันสละสัดสวยให้มันสวยงามไม่ให้มันเหม็นอย่างนี้ ถ้าอาบทั้งวันด้วยความอยากอันนี้ก็เป็นความอยากแต่ถ้าอาบตามความจำเป็นนี้ไม่ถือว่าเป็นความอยากทำได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ร่างกายก็กลายเป็นกองขยะไป ถ้าหาว่าอาบน้ำเพราะมีเป็นความอยากมันก็เลยไม่อาบกันเนี่ยพวกฤาษีชีไพายบางพวกก็ไม่ยอมอาบน้ำํำไม่ยอมโกนหนวดโกนอะไรกันเพราะคิดว่าเป็นความอยากก็เลยปล่อยให้มันดูแล้วมันลกหลงหลังไม่น่าดูอันนี้ทําได้บางอย่างทําได้ถ้ามันจําเป็นต้องทําะแต่ไม่ได้ทําด้วยความอยากแล้วก็ทําเท่าที่มันต้องการแค่อาหารจะกินก็กินวันละมื้อก็พอน พระพุทธเจ้าให้กินแค่วันละมื้อสำหรับพระเนที่อยู่อาศัยต้องมีก็อยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเงื่อมผาอยู่ตามถ้ำไม่ต้องไปอยู่คอนโดไม่ต้องไปอยู่เคารหาัอันใหญ่โต ไห้มีที่หลบแดดหลบฝนได้ก็พอถ้าอยู่แบบคาลหาัดอยู่แบบคอนโดนี่เขาเรียกว่าอยู่ด้วยความอยากแต่ถ้าอยู่ตามถาม้าตามเงื่อมผาตามโคนไม้นี่เรียกว่าอยู่ตามมีตามเกิดอยู่ตามความจําเป็นอย่างนี้ไม่เป็นความอยากอยู่ได้ที่ไหนก็อยู่ไปนี่คือสิ่งที่เราจะมาศึกษามาได้ยินได้ฟังธรำ เพื่อเราจะได้เรียนรู้เรื่องของเรื่องที่เราไม่รู้กันที่เราไม่สามารถรู้ได้ด้วยตัวของเราเองเราต้องอาศัยคนที่รู้คือพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสาวกท่านจะสอนให้เรารู้เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราท่านจะสอนให้เรารู้ถึงความทุกข์ของพวกเราที่พวกเรามีกันอยู่ในขณะนี้และจะมีต่อไปเรื่อยๆแล้วท่านก็จะสอนวิธีที่จะทาให้เรา กำจัดความทุกข์ต่างๆที่เรามีอยู่กันในขณะนี้ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนคือทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิจเจริญปัญญาแล้วเราก็จะสามารถทำลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจที่พาให้เรามาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายพอเราทำลายมันหมดแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป ใจที่ไม่กลับมาเกิดก็เรียกว่านิพานนั่นเองนิพานไม่ใช่สถานที่แต่เป็นสถานภาพของใจใจที่สิ้นสุดค ก, การเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิดเราเรียกว่านิพานนิพานนี้เป็นใจที่เต็มไปด้วยความสุขความสุขที่สูงสุดอยู่ในนิพานนี้เพราะใจได้กําจัดความทุกข์ที่เกิดจากความโลภต่างๆจนหมดสิ้นไปนั่นเอง ใหญ่ก็เลยมีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือเรื่องของสัมมาทิฏฐิที่พวกเราจะต้องอาศัยพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนหรือพระอริยสงสาวกเป็นผู้สอนผู้บอกเราเพราะผู้อื่นในโลกนี้ไม่มีใครรู้เรื่องของดวงวิญญาณเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของการกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิด เราจึงต้องเข้าหาพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์กันและในเบื้องต้นเราก็ต้องเชื่อก็ไว้ก่อนเพราะถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่ทําตามเมื่อเราไม่ทําตามเราก็จะไม่มีวันที่จะได้รู้ได้เห็นผลที่เกิดจากการกระทานั้นเองดังนั้นขอให้พวกเราพยายามสร้างสัมมาทิฏฐิขึ้นมา ด้วยการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างที่ท่านทั้งหลายได้กระทากันในวันนี้แล้วต่อไปท่านก็จะมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วท่านก็จะสามารถยุติความทุกข์ต่างๆที่ท่านได้พบกันอยู่ในขณะนี้ให้มันหมดสิ้นไปจากใจได้อย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา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 จันโทปันาราโสยธามณิโชติาราโสยธาสัพพิติยวิวัจจันตุสัพพารโควินาศตุมาเตภวัตวันตารายสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาธนศสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธามาวาทานติอายุวันูสุขังภาลางต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคาถามใครอยากจะถามอะไรก็ เชิญถามได้ในช่วงนี้หลังจากเลิกแล้วก็ห้ามถามถ้าอยากจะถามถามตอนนี้แล้วก็ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ทางบ้านผู้ติดตามเท่าไหร่วันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามา400 y o u t u สามร้อยเก้าวิทยุออนไลน์สามสิบเอ็ดรับฟังข้างบนนี้แปดสิบหกคนรวมทั้งหมดแปดร้อยี่สิบหกครับแปดสองหกนะไม่ถูกหรอกพูดไปงี้ไงใครอยากจะถามคำถามไหมตอนนี้ แม่ชีเมื่อกี้เห็นถามไม่อห่ก็ถามคำถามหรือเปล่าอ่เอาไมโครโฟนไป ท, ทดสอบอพูดใกล้ๆปากพูดดังๆหน่อยเป็นเป็นเรื่องพใกล้ๆปากดังๆหน่อยค่ะอันนี้เป็นเรื่องทางโลกคือลูกชายเป็นทหารบกนะคะแล้วก็ไปได้ไปรบที่อัฟก า, านิสถานเป็นทหารบกของออสเตรเลียเขาเกิดที่นั่น เ, เขาโยมได้ทราบม า, างหนึ่งว่าเขาได้ยิงยิงฆ่าศึกเสียชีวิตซึ่งโยมก็บอกกับเขาว่าพยายามไปทำบุญขอโหสิกรรมซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าที่หน้าที่ที่เขาต้องปฏิบัติ ในในในหน้าที่ของเขาอะค่ะซึ่งยมก็รู้สึกว่าลูกชายก็ผิดนะคะที่ผิดสิงข้อที่หนึ่งแล้วทำไมนะ่ะคืออันนี้มันก็ผิดก็ผิดสิ ก็เป็นกรรมของเขาเขาทํากรรมอะไรไว้เขาก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมของของเขาไปเราไม่ได้ทําเราก็ไม่ได้เกี่ยวด้วยแต่โยมจะพยายามจัดโน้มน้าวยังไงคะให้เขาอก็บอกเขาแล้วไงบอกเขาแล้วว่าเนี่ยฆ่าแล้วก็ตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายนีเขาจะเห็นหรือไม่เห็นเขาจะเชื่อไม่เชื่อนี่ก็เป็นเรื่องของเขาเนีย คือเขาไม่เชื่อเพราะว่าโยมพยายามที่จะให้เขาอาบวชแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้ก็บอกเขาแล้วนะเขาจะทําก็ทําไม่ทําก็ก็ไม่ทํำเราเป็นคนพูดเราไม่ได้เป็นคนทําอืำเราก็ทําหน้าที่ของเราแล้วเราก็พูดบอกเขาแล้วเขาเป็นคนต้องทําถ้าเขาไม่ทําก็เรื่องของเขาเขาทําก็เรื่องของเขา ก็จบกันตรงนี้จะเอาตรงไหนกันเข้ไหมก็เหมือนฝนอ่ะจะไปสั่งให้มันตกได้เปล่าเนี่ยตอนนี้แรงแล้วเกินฝนตกให้หน่อยสิอันนี้เป็นหน้าที่หรือเปล่าคะเพราะเขาบอกว่าถ้าเราไม่ ยิงเขาเขาก็ยิงเราค่ะเพราะตอนนั้นท่าไม่ยิงกันถ้าไม่ยิงกั น, กนทั้งสองฝ่ายมันก็ไม่มีใครยิงกันเลยใช่ค่ะแต่ทีนี้ว่าถ้าเขาถือศีลเราถือศีลมันก็ไม่มีการยิงกันะถ้าไม่ถือศีลมันก็มีการยิงกันเลยอันนี้เขาบอกว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ฮแต่ยังไงก็ต้องเป็นบาปผิดบาปก็บาปนจะไปถูกได้ไงอขอ ก็อโยมก็ยังติดใจที่ เ, เข า, เาทำบุญบุตริศุนบุรุษก็ทําไว้ก็บอกเข้าไปไงแต่เขาจะทําไม่ทําก็เรื่องของเขาเหมือนเราทํากับข้าวให้เขากินเขาจะกินไม่กินก็เรื่องของเขาใช่ไหอถ้าก็ไม่ชอบเขาก็ไม่กินะไปทํากับข้าวที่เขาไม่ชอบกินเราไปบงังคับให้เขากินได้ปะ ก็แบบเดียวกันนั่นแหละเมื่อไม่กินก็ไม่กินก็เรื่องของเขาเราก็ทำหน้าที่ของเราแล้วเราทำให้เขากินก็ไม่กินก็เรื่องของเขาเราก็บอกก็าแล้วว่าบาปถ้าเขาไม่ไม่เชื่อเขาจะทำก็เรื่องของเขานะตอนนี้ลยวนะยอมอยากคุยกันได้ไหมตอนนี้เพราะว่ามันคุยแล้วมันเสียงมัน มันมันชนกันนะช่วงเมื่อกี้ผ่านแล้วตอนนี้ช่วงเงียบแล้วช่วงฟังธรรมขอความกรุณาะใคอยากจะถามมีคําถามไหมเสร็จหรืยย อ, อยังยังไม่เสร็จก็จ้าเอาท า, าเอาทางบ้านก่อนก็แล้วกันคําถามจากข้างบนนี้นะครับ ผมและภรรยาเปิดร้านขายอาหารตามสั่งซึ่งต้องทำอาหารตามที่ลูกค้าสั่งต้องเอาใจลูกค้าตลอดครับแต่ภรรยาของผมมักจะนินทาหรือว่าลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าออกไปจากร้านแล้วผมหนักใจมากครับ จะบอกจะเตือนพันธุยาทีไรมักจะโกรธและทะเลาะกันมาตลอดบอกให้ลดการพูดจาไม่ดีต่อลูกค้าก็ไม่ฟังผมคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การค้าขายของเราแย่ลงถึงลูกค้าไม่รู้แต่เทวดาฟ้าดินรู้ผมคิดแบบนี้ครับพยายามดึงภรยาเข้าหาธรรมะแต่ก็ไม่สําเร็จอยากให้พระอาจารย์แนะนําการดําเนินชีวิตเพื่อให้ชีวิต และการค้าขายดีขึ้นครับเอาอะไรมาปิดปากเขาสิแค่ <c oughs> นั้นเองเอาพลสเตอร์มาอุดปากไว้เขาก็พูดไม่ได้ถ้าเราทําไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาพูดไปถ้าเราคิดว่าอยู่กับเขาแล้วไม่เจริญก็แยกกันไปอยู่แยกทางกันไปก็มีเท่านั้นนะตามเหตุตามผลถ้าพูดด้วยเหตุด้วยผลแต่ถ้าพูดด้วยความอยากมันไม่มีวันจบหรอก อยากจะได้ทั้งเปียกอยากจะได้ทั้งแห้งมันไม่ได้หรอกกินก๋วยเตี๋ยวแห้งกับก๋วยก๋วยเตี๋ยวเปียกก๋วยเตี๋ยวน้ําในชามเดียวกันมันกินไม่ได้หรอกใช่ไหมต้องแยกชามอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวแห้งก็เอาชามหนึ่งอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวน้ําก็อีกชามหนึ่งอยากจะเอาทั้งน้าทั้งทั้งแห้งนี้อยู่ในชามเดียวกันมันไม่ได้หรอกท่นใดอยากจะอยู่กับแฟน แล้วก็อยากให้แฟนทําตามที่เราอยากให้เขาทํำเขาไม่ทําตามก็จะทํำยังไงก็ต้องเลือกเอาถ้าคิดว่าเขาอยู่กับเราแล้วทําให้เราเสื่อมเสียเราก็อย่าอยู่กับเขาแต่ถ้าอยากจะอยู่กับเขาก็ต้องยอมรับกับความเสื่อมเสียที่ตามมาด้วยเท่านั้นเองคําถามต่อไปจากคุณพิทักษ์ เมื่อวานได้ช่วยเหลือสุนัขจรจัด ต, ตัวหนึ่งที่ถูกรถชนแล้วได้พาไปโรงพยาบาลสัตว์โดยหวังว่าจะช่วยให้เขารอดชีวิตหรือไม่เป็นอะไรมากซึ่งสัตวแพทย์ได้วินิจฉัยตามอาการแล้วว่าสุนัขไม่สามารถกลับมาเดินได้และใช้ชีวิตอย่างเก่าจึงได้เสนอทางเลือกคือการฉีดยาเพื่อให้สุนัข ก, กลับไปอย่างสงบ คำถามนะครับเราตัดสินใจตามข้อเสนอของสัตวแพทย์จะถือว่าเราทําบาปไหมครับทําก็เพราะเราเป็นผู้ที่ถามเขาไงเขาจะทําไม่ทําก็ต้องรอให้เราเป็นคนอนุมัติก่อนอย่าทําเองก็ดีสั่งให้เขาทําก็ดีก็บาปเท่ากันอย่างอย่าไปฆ่าเลยก็ปล่อยเขาอยู่ไปตามบุญตามกรรมของเขาดูแลเขาเท่าที่เราจะดูแลได้ บรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของเขาเท่าที่เราจะทำได้ก็แล้วกันก็แต่ว่าเป็นเรื่องของกรรมไปคำถามจากข้างบนนี้นะครับมีสามคำถาม <c oughs> คำถามแรก <c oughs> นั่งสมาธิบางครั้งร่างกายสะบัดเจ้าค่ะแสดงว่าไม่มีสตินั่งแล้วสะบัดก็พอร า, านั่งไ ม, ไม่ไม่มีสติเลย เวลานั่งถูกที่ถูกต้องนั่งแล้วมีสติคุมใจเช่นพุทโธพุทโธพุทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปถึงจะไม่สะบัดถ้านั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวมันจะสะบัดคำถามที่สองนั่งสมาธิแล้วพอสงบจะมีคําว่าสัมมาอารหังขึ้นที่ศูนย์กลางจะต้องทำอย่างไรต่อเจ้าคะก็นั่งต่อไป นี่เราผลที่เกิดนี่ไม่ได้เป็นผลที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิผลที่แท้จริงเราต้องการจิตที่นิ่งสงบไม่คิดอะไรไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมามีแต่ความว่างมีแต่ความสุขมีแต่อุเบกขาถ้ายังไม่ไปถึงจุดนั้นก็ให้ใช้สติพาไปต่อถ้าพุโทโธก็พุโทโธต่อไปถ้าดูลมก็ดูลมต่อไปอะไรจะปรากฏขึ้นมาระหว่างทางก็ไม่ต้องไปสนใจ คำถามที่สามถ้าเราปฏิบัติมีสภาวะเส้นยาวๆออกจากศูนย์กลางกายเราแล้วระเบิดอันนี้คือสภาวะอะไรและมีวิธีแก้ไขอย่างไรเจ้าคะก็เหมือนกับสัมมาหังเนี่ยเวลานั่งไปแล้วถ้าสติเรายังไม่กระชับยังไม่แน่นจิตมันก็ยังแสดงอาการต่างๆเหล่านี้ออกมาได้มันเป็นพพ เป็นอาการของจิตจิตเป็นผู้สร้างขึ้นมาหลอกเราหรือ ล, ล่อเราเราก็ไม่ต้องไปสนใจเราก็ทำงานของเราต่อไปเราพุโทโธก็พุโทโธต่อไปดูลมก็ดูลมต่อไปจนกว่าจิตมันจะสงบจิตมันหายดิ้นหายหายคิดหายปรุงอะไรต่างๆถ้ายังคิดยังดิ้นอยู่ก็พุโทโธต่อไปคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่บ้านมีต้นโพมาขึ้นสองต้นในบ้านแต่ขึ้นอยู่ข้างห้องน้ําเป็นทางเดินแค บ, บๆเช้าค่ะตอนนี้เขาสูงมากแล้วแต่ยังไม่แตกพุ่มโยมจะถอนทิ้งก็ไม่กล้าขอความเมตตาช่วยชี้แนะด้วยเจ้าค่ะ อ, อ๋อมันก็เป็นแค่ต้นไม้ต้นหนึ่งเท่านั้นเองเพียงแต่ว่ามันเป็ น, เ ป, นเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้านั่งตัดชะลูอยู่คนต้นโพ แต่มันก็เป็นเพลงต้นไม้จะตัดมันทิ้งจะถอนมันทิ้งไปก็ไม่เป็นบาปเป็นกรรมแต่อย่างใดแต่ถ้าเราอยากจะอนุรักษ์อยากจะให้ต้นโพมีไว้เพื่อที่จะได้เป็นอนุสรให้เราล่ำลึกถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกับการสร้างเจดีสร้างพระพุทธรูปเราก็ย้ายต้นไม้ไปสิย้ายไปหาที่ปลูกไปถวายวัดที่ไหนก็ได้ วัดที่เขาสร้างใหม่วัดป่าวัดอะไรที่เขาต้องการต้นไม้เราก็อไปบริจาคได้ค่ะคำถามต่อไปจากคุณวินอนฟังธรรมในบ้านจากวิทยุจะเป็นบาปไหมครับอ๋อไม่บาปหรอกแต่จะไม่ได้ประโยชน์ <c oughs> จะฟังแล้วจะหลับเพราะมันอยู่ในท่าสบาย <c oughs> ก็เป็นประโยชน์ที่เป็นไม่ต้องใช้ยานอนหลับ คนที่นอนไม่หลับก็ลองใช้การฟังธรรมนอนฟังธรรมดูฟังไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หลับประหยัดเงินไม่ต้องซื้อยานอนหลับแล้วก็ไม่ติดยานอนหลับคำถามต่อไปจากคุณสาผมตัดกรารมราคาไม่ได้ครับต้องอดอาหารขนาดไหนครับถึงจะตัดได้ครับการอดอาหารก็ตัดไม่ได้หรอกเพียงแต่บรรเทามันเปลี่ยน เปลี่ยนเป้าหมายของความอยากเวลาหิวมันก็ไม่คิดถึงเรื่องการารมณ์มันจะคิดแต่เรื่องอาหารแต่มันก็พออิ่มเมื่อไหร่มันก็จะกลับมาทางการอารมณ์ต่ออย่งนั้นต้องใช้การพิจารณาอสุภะต้องดูความไม่สวยงามของร่างกายดูส่วนที่ไม่สวยงามเช่นมองเข้าไปในกระใต้ผิวหนัง ดูโครงกระดูกดูอวัยวะต่างๆดูตับดูไตดูลำไส้ดูอะไรอย่างนี้ถ้าดูอย่างนี้แล้วการอารมณ์มันจะหนีหมดมันจะไม่เกิดเะ็ั้นต้องไปฝึกหัดดูภาพที่ไม่สวยงามของร่างกายดูภาพก่อนแล้วเอามานึกมาจำไว้เหมือนมาท่องสูตรคูนท่องจนกระทั่งมันจำได้ พอเวลาเกิดการมารมขึ้นมามันก็ให้นึกถึงภาพเหล่านี้การมารมก็จะดับไปเอาคำถามสุดท้ายนะครับจากาคุณแม่ชีเอครับปฏิบัติธรรมในสวนมีสองคำถามครับหลวงพ่อคำถามที่หนึ่งในขณะที่นั่งสมาธิไปนานๆแล้วเกิดทุกขเวทนามากปวดจนทนไม่ไหวลูกควรทำอย่างไรดีเจ้าคะก็มีสองวิธีวิธีง่ายก็คือให้ใช้สติ คือให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปอย่าไปสนใจกับความเจ็บของร่างกายพุทโธพุทโธพุทโธไปให้ใจเกาะติดอยู่กับพุทโธหรือถ้าไม่พุทโธก็สวดอิติปิโสไป ตรวไปเรื่อยๆอย่าไปอยากให้ความเจ็บหายไปอย่าไปสนใจกับความเจ็บให้ลืมความเจ็บแล้วความเจ็บก็จะไม่มาลบกวนใจใจก็จะสงบแล้วก็นั่งต่อไปได้ก็จะผ่านเวทนาแบบชั่วคราวถ้าอยากจะผ่านแบบถาวรหลังจากที่เราผ่านแบบชั่วคราวแล้วเราก็มาใช้ปัญญามาแยกแยะ ให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรร่างกายเป็นอย่างหนึ่งเวทนาเป็นอย่างหนึ่งใจผู้รู้เป็นอีกอย่างหนึ่งถ้ารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามความเป็นจริงของเขาก็จะก็จะไม่มีปัญหาตอนนี้เราเอามันมารวมกันเป็นเป็นอันเดียวกันร่างกายกับ เวทนากับใจเป็นอันเดียวกันมันก็เลยทำให้วุ่นวายกันขึ้นมาแต่ถ้าเราแยกแยะได้ว่าร่างกายก็เป็นตกรตาตัวหนึ่งใจก็เป็นคนดูตกรตาเวทนาก็เป็นอาการความเจ็บที่เกิดขึ้นจากร่างกายที่มาแล้วก็หายไปหายไปแล้วก็มาเหมือนเสียงเมื่อกี้นี่เสียงเมื่อกี้นี่มันมาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไป ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันไม่ไปอยากให้มันหายตอนที่มันมาเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะอยู่กับมันได้เห็นเวลามันมาก็อยู่กับมันไปร่างกายก็เป็นเหมือนตุ๊กตามันไม่รู้เรื่องว่ามันเจ็บหรือไม่เจ็บกระดูกหรือเนื้อหนังตรงที่เจ็บมันไม่ตัวเนื้อตัวหนังตัวกระดูกมันไม่รู้อะไรปล่อยมันนั่งไปมันไม่เดือดร้อนใจผู้รู้ก็ไม่ได้เป็นผู้เจ็บเพียงแต่ผู้มามาเห็นความเจ็บ เท่านั้นเองใจผู้เห็นก็ให้รู้ไปเฉยๆอย่าไปยุ่งอย่าไปอยากกับความเจ็บถ้าไปอยากให้ความเจ็บหายแล้วใจนี่แหละจะเดือดร้อนขึ้นมาที่จะทนนั่งต่อไปไม่ได้ที่จะสู้กับความเจ็บไม่ได้ ถ้าเราแย ก, แยกทั้งสามสิ่งนี้ออกเป็นคนละส่วนกันร่างกายเป็นตุ๊กตาก็ปล่อยตุ๊กตาอยู่ของมันไปเวทนาก็เหมือนเสียงดังเมื่อกี้ที่เราได้ยินเวลามันมาเราจะสั่งให้มันหายก็ไม่ได้ก็ทนอยู่กับมันไปทนฟังเสียงนั้นไปเดี๋ยวมันก็หมดแรงมันก็หายไปเองอเราเป็นผู้รู้ก็ให้รู้ไปเฉย อย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปกลัวว่าร่างกายจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ร่างกายมันจะเป็นเราก็ห้ามมันไม่ได้ถึงเวลาร่างกายมันจะตายเราก็ห้ามมันไม่ได้ถึงเวลาความเจ็บมันจะโผล่ขึ้นมาเราก็ห้ามมันไม่ได้แต่เราจะไม่ทุกข์กับมันถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันปล่อยมันไปให้รู้เฉยๆศัก์แต่ว่ารู้ ถ้าเราทำใจให้สักแต่ว่ารู้ได้ถ้าไม่ไม่ยามสักแต่ว่ารู้ก็ใช้พุโทโธช่วยให้มันพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแล้วก็นั่งดูมันไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะไม่ยุ่งกับร่างกายไม่ไปยุ่งกับความเจ็บก็จะปล่อยให้มันอยู่ของมันตามสภาพไปมันจะเป็นจะตายใจก็จะไม่ทุกข์กับมันอีกต่อไปต่อไปก็จะไม่กลัวความตายไม่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วย เพราะใจไม่ได้เป็นอะไรผู้ที่เป็นมันก็ไม่รู้ร่างกายมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นมันไม่สบายมันจะตายร่างกายมันไม่รู้มันก็ไม่เดือดร้อนใจไม่ตายกลับไปเดือดร้อนเพราะไปคิดเพราะไปหลงคิดว่าเป็นร่างกายเท่านั้นเองอยิ่งต้องดึงใจให้ออกจากร่างกายอย่าไปถือว่าร่างกายเป็นตัวเราเราเป็นผู้ดูล่างกายดูแลร่างกาย เราเป็นเจ้านายร่างกายเป็นเหมือนคนรับใช้เราเท่านั้นเองถ้าเราพิจารณาแบบนี้ได้เราก็จะปล่อยวางความเจ็บได้ปล่อยวางร่างกายได้เราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่หวัว่นไหวไม่หวาดกลัวกับความเจ็บอีกต่อไปอแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขอ